เพราะเป็นกิริยาที่แสดงออกแต่ละฝ่ายอย่างน่าชมเนื่องจากเป็นความมุ่งอัฏฐะมุ่งธรรมะเพื่อประโยชนจากการศึกษาไต่ถามกันทั้งสองฝ่ายโดยแม่นิยมว่าแก่หรืออ่อนพรรษาข้อนี้ผู้เขียนขอชมธรรมศกักขาท่านว่าเป็นไปตามทางของปราดที่น่าเลื่อมใสจริงไม่ได้เป็นไปแบบจุดจุดจุดซึ่งเห็นเราเอื่อมระอาและยิ่งนับวันมีมากดา ด, ดื่น บางท่านให้นามสภาประเภทนี้ว่าสภาน้ําลายไหลนองถ้าเป็นสภาธรรมตามหลักธรรมสาสตราก็ควรจะมียุติกันด้วยเหตุผลและการยอมรับการกล่าวนี้ด้วยทราบว่าชาวพุทธเราต่างมีกิเลสด้วยกันแต่เป็นผู้มุ่งต้องอัตถธรรมด้วยกันจึงเมื่อทราบดีชั่วประการใดก็นํามาลงจากการติชมของผู้อื่นลําพังรอติชมตัวเอง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 การสนทนาธรรมของพระกรรมฐานท่านที่น่าชมเชยก็เพราะท่านมุ่งเพื่อยึดคติจากธรรมะของการและการจริงๆไม่มีทิฏฐิมานะเข้าแฝงเลยแม้ต่างคนต่างยังมีกิเลส ด, ด้วยกันการสนทนาธรรมนั้นท่านสนทนาตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏขึ้นจากจิตตภาวนาซึ่งตนบำเพ็ญมาเริ่มแต่คณิกะสมาธิอุปจาราสมาธิอปปนาสมาธิ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 และเป็นคติต่อเติมกันไปไม่มีสิ้นสุดวันหนึ่งท่านองคหนึ่งมาสนทนาเรื่องหนึ่งอีกวันหรือเวลาหนึง่งท่านองคหนึ่งมาสนทนาอีกเรื่องหนึ่งจะเปลี่ยนถ่ายทอดกันไปเรื่อยๆเพราะต่างองค์ต่างปฏิบัติต่างองค์ต่างรู้ในลักษณะต่างๆกันทั้งภายนอกภายในการสนทนาธรรมที่เกิดจากความรู้ภายในใจแม้ผู้มาเล่าแล้วเรียนถามปัญหา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 จนเป็นที่เข้าใจแล้วค่อยผ่านไปโดยไม่มีฝ่ายใดสงวนศักดิ์ศรีดีชั่วของตนอันเป็นลักษณะโลกแฝงธรรมะให้นอกเหนือจากความหวังเข้าใจต่อกันผิดหรือถูกประการใดผู้เล่าหรือไต่ถามจะดำเนินไปตามความถนัดใจที่รู้เห็นมาโดยไม่คิดว่ากลัวจะผิดผู้ฟังก็ตั้งใจฟังไปตามจุดที่ผู้ถามและเล่าให้ฟังด้วยความสนใจ และไม่สนใจกับอะไรยิ่งไปกว่าปัญหาธรรมะที่กำลังเป็นไปอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าท่านผู้ใดสนทนาและฟังต่างมีความสนใจเอื้อเฟื้อต่อธรรมะของกันโดยสม่าเสมอแต่ต้นจนอวสานแห่งปัญหาธรรมะไม่แสดงความอิดหน้าระอาใจไม่แสดงความดูถูกเหยียดหยามด้วยภูมิจิตภูมิธรรมของการละกันต่างสนทนาการด้วยความบริสุทธิ์ใจ หวังความรู้และความอนุเคราะห์จากกันจริงๆเมื่อผู้เล่าแล้วเรียนถามถูกคัดค้านจากผู้รับฟังในเรื่องใดตอนใดเรื่องนั้นตอนนั้นต้องกลายเป็นปัญหากันบ้านของเจ้าของปัญหาทันทีที่จะนําไปคบคิดเพื่อแก้ไขดัดแปลงต่อไปจนเป็นที่แน่ใจจนกว่าปัญหานั้นเป็นที่สนิทใจไม่ขัดแย้งจากอาจารย์ผู้ให้อุบายและตนก็เข้าใจตามนั้น จึงจะปล่อยให้ผ่านไปตามธรรมดาผู้ถูกคัดค้านแทนที่จะเสียใจแต่กลับเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นในปัญหาที่ถูกคัดค้านนั้นๆดังนั้นการสนทนาธรรมระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันในลนนักษณะนี้จึงน่าจะเกิดมงคลได้ตามหลักธรรมว่าการสนทนาธรรมตามการย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดการสนทนาที่เป็นข้าสึก หรือทำลายธรรมะบท ว, ว่าการเรียนนธรรมสากาัฉาเอตัมมังคารมุตตมังนั้นน่าจะได้แก่การสนทนาที่ทําให้เกิดกิเลสหรือสนทนาอวดกิเลสกันมากกว่ามุ่งประโยชน์ในธรรมะแต่นี้กล่าวตามความด้นเดาของวิสัยป่าไปอย่างนั้นเองกรุณาจะได้ถือเป็นหลักเกณฑ์นักเพราะคำว่าป่าหรือเถื่อนก็ เ, เป็นคําประกาศตัวอยู่แล้วว่าเป็นสภาพเช่นนั้นอยู่ในตัวเอง อะไรจะเกิดประโยชน์โดยธรรมแก่ตนด้วยวิธีใดควรพยายามตักตวงวิธีนั้นให้เต็มกำลังความเพียรของตนแม้วิธีนั้นจะอยู่ในถ้มกลางแห่งความตำหนิของใครที่มีกิเลสประเภทชอบติดเพื่อ ย, ยกตนหรือทำลายมากกว่าความเป็นธรรมก็ไม่สามารถลบล้างวิธีนั้นได้หากสามารถลบล้างได้พระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญอยู่ใน่้ำกลางเจ้าทิฏฐิทั้งหลาย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 ดังนั้นการสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีใดก็ตามถ้าทําลงไปกิเลสกลัวและหลุดลอยออกจากใจได้การทํานั้นก็เป็นมงคลแก่ตนแม้กิเลสจะไม่เห็นเป็นมงคลด้วยก็ไม่เป็นปัญหาแต่โดยมากพวกเรามักทําตัวให้เป็นมงคลแก่กิเลสมากกว่าเป็นมงคลแก่ตัวจึงควรจะระวังมงคลชนิดนี้ถ้าขืนให้เป็นมากๆ อาจจมไปทั้งที่เข้าใจว่าตัวเจริญดังแบบเที่ยวคดโกงจีปล้นปรีดไถ่สมบัติของคนอื่นมาเป็นสมบัติและมงคลแก่ตนโดยเข้าใจว่าตัวฉลาดมีบุญมากมีอำนาจวาสนามากรวยเงินกองเท่าภูเขาบัญชีเงินฝากธนาคารอ่านทั้งวันไม่จบแต่ความจริงก็คือมงคลชั่วลมหายใจมงคลดินเหนียวติดศรีรษะที่จะพาให้จมย่อยยับโดยไม่มีท่านผู้รู้ใด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 อย่างแยกไม่ออกที่ผ่านมากล่าวความเป็นมงคลของการสนทนาธรรมที่ถูกกับสุขลักษณะาทางใจนับว่าเป็นที่น่ายินดีในวงปฏิบัติที่ท่านสนทนาธรรมตามเยี่ยงอย่างของธรรมศรรัสตร์ฉาซึ่งเป็นผลอย่างกันและกันให้รื่นเริงตามธรรมกถาเรื่องบรรเทาและกำจัดกิเลสภายในโดยลาดับ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 กำหนดรายองค์เป็นผู้ริเริ่มปัญหากรด้วยภาคปฏิบัติคือจิตตาภาวนาตามที่รู้เห็นมาพอองค์นั้นเล่าจบบางทีพระอาวุโสก็ซักและแทรกธรรมะลงในระหว่างบ้างเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและส่งเสริมธรรมะที่ท่านองค์นั้นกล่าวถูกต้องแล้วให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นองค์นอกนั้นเมื่อยังไม่ถึงเวลาของตนก็นั่งฟังในท่าสงบ เพื่อฟังอุบายต่างๆจากการสนทนากันระหว่างองค์แรกกับท่านที่คอยให้นัยยะตอนที่ท่านสนทนากันนี้เป็นที่ประหลาดและอัศาจรรย์อย่างไม่คาดฝันว่าธรรมะที่ต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างรู้เห็นอยู่คนละทิศ ท, ทางแต่เวลามาพูดขึ้นกลับเป็นธรรมะกลมกลืนกันได้กับที่ตนรู้เห็นมาในบางแขนงราวกับว่าใจดวงเดียวกัน ธรรมะแท่งเดียวกันทั้งที่ธรรมะก็มีหลายแขนงะใจก็มีหลายดวงเพราะต่างคนต่างมีไม่น่าจะมาตรงกันอย่างเหมาะสมเช่นนั้นได้พูดเรื่องพูดผีก็ดีเรื่องเทพก็ดีเรื่องศัจธรรมบางแขนงก็ดีเรื่องอุบายปัญหาบางแขนงก็ดีหรือเรื่องกิเลสชนิดต่างๆก็ดีท่านเข้าใจกันได้ราวกับได้เห็นในขณะเดียวกัน ฉนั้นผู้นั่งฟังก็ดีผู้เล่าผู้ถามก็ดีผู้รับฟังเพื่อวินิจฉัยก็ดียอมมีส่วนได้รับประโยชน์จากปัญหาเช่นเดียวกับท่านชี้แจงให้ตนฟังโดยเฉพาะนอกจากความสามารถอันเป็นเรื่องของแต่ละรายไปเท่านั้นที่ยิ่งหย่อนต่างกันจึงอาจเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเวลาฟังคำชี้แจงเฉพาะปัญหาที่ยกขึ้นนั้น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 พราการบาเพ็ญอยู่เสมอในอิริยาบถต่างๆทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาปัญหาจึงเกิดขึ้นเสมอโดยไม่เลือกอิริยาบถปัญหาหรือธรรมะบางอย่างเมื่อปรากฏขึ้นมาจากใจเจ้าของทราบได้ชัดเจนในขณะนั้นก็มีบางอย่างก็พอแก้ไขได้โดยลำพังไม่ต้องให้ผู้อื่นช่วยบางอย่างเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องใช้เวลาพิจรนารน า, นานพอควร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 และไม่เคยภาวนาอาจไม่เข้าใจหรืออาจหัวเราะ ก, ก็ได้ว่าพูดปาป่าเถื่อ น, น, นไม่มีหลักเกณฑ์แต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นในวงปฏิบัติสำหรับท่านที่เคยปรากฏจากหลักภาวนามาแล้วพอย้มออกก็เข้าใจได้ทันที